บทภาชณีติกะปาจิตตีสี่รี่สิกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตติปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่สลละต้องอบัตตปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สลละต้องอบัตติปาจิตตีติกะทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตตทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตรทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสาคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตรทุกกฎ